บางทีง่วงนอนนะกินกาแฟก็ยังก็ยังดับเหมือนเดิม <c oughs> แต่ก็อย่าไปเอาอะไรอย่าไปเอาแน่นอนกับความความง่วงนอนหรือความจะดับมากนาะ <c oughs> คืออย่าไปเอาอย่าไปตีเตี้ยอย่าไปบังคับมันเกินไป เวลาเราจะเป็นนอนเนะเราก็นอนเล่นไปนะหลับเมื่อไรก็เรื่องของมันเนี่ยอ่ก็คือนอนให้เล่นไปนะแต่นอนเล่นๆไม่ใช่นอนคิดเล่นเนะไม่ใช่นอนแล้วหาเรื่องคิดเล่นๆเล่อยเปื่อยนะนะเราก็นอนแล้วก็อยู่กับรมหายใจก็ได้เนาะบางทีก็ดับตานะรู้สึกร่างกายหายใจสบายๆ แต่อย่าไปแบบปร ะ, ประเภทว่าอืมจะต้องรู้จนถึงลมหายใจสุดท้ายก่อนที่จะดับนะอืมมาเคยรู้แบบนั้นนะไม่ดับเลย <c oughs> เคยพยายามอยากจะรู้แบบนั้นนะแต่มันไม่มันกลายเป็นทําให้สติมันมากไปพอสติมันมากไปมันเหมือนเราเหมือนอยากจะรู้ว่ า, วาตอนที่ มันจะปิดสวิตดับอ่ะมันหายใจเข้าหรือหายใจออกอะไรนะอืมหรือใครรู้มีใครรู้ไหมพยายามจะรู้นะมันไม่ได้นะมันมีแต่ต้องก็คือรู้เท่าที่มันรู้ได้น่ะนะบางทีมันตอนใกล้ๆตอนนั้นมันก็จะเคลิ้มเคลมันก็จะมันก็จะเหมือนไม่ค่อยสนใจลมหายใจละที่จริงคล้ายๆเหมือนเราทําสมาธินะ พอเราทำสมาธิสักพักไปนะมันเหมือนมันเหมือนไม่หายใจนะอืมแต่มันก็รู้ว่ามันต้องหายใจอยู่แหละไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้หรอกนะแต่มันก็ไม่รู้สึกถึงลมหายใจว่ามันเข้าหรือออกนะคือพอจิตมันไปไม่ไม่สนใจนะมันอยู่กับความสบายๆนะมันก็มันก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องไปรู้ก็ได้ว่ามันหายใจเข้าหรือออกเนาะ ตอนที่เราจะดับก็เหมือนกันก็ไม่จำเป็นถ้าพอมันสงบพอมันเริ่มเคลิ้มๆก็ปล่อยมันให้มันอยู่กับความว่างๆสบายแล้วก็พักผ่อนไปนะนั้นเวลาจะไปนอนนะทำเล่นๆนะมันจะดับเมื่อไรก็เรื่องของมันนะอนะ่ก็คือแต่เพียงในว่าเราอย่าไปหาเรื่องคิดเล่นๆนะก็มันคิดแล้วก็กลับมาใหม่นะไม่ได้ห้ามมันนะแต่เพียงในว่า เวลาเนี้ยเป็นเวลากำลังจะเตรียมตัวนอนนะไม่ใช่เวลาหาเรื่องคิด น, นั่นก็คือเราก็หาอุบายในการกลับมานะรู้สึกถึงร่างกายที่นอนเหมือนเหมือนถ้าใครเคยแบบโยคะนะถ้าถ้าศพอะถ้าถ้านอนพักผ่อนนะแล้วก็แค่รู้รู้สึกถึงร่างกายทั้งตัวที่มันที่มันสัมผัสกับพื้นนะอะไรเนะี้ย แล้วก็รู้สึกถึงว่ามีส่วนไหนที่มันเกร็งมันเครียดเออแล้วก็สแกนบอดี้สแกนดูคร่าวๆก็ได้นะอย่าไปแบบละเอียดมากคร่าวๆสแกนนะเพราะมันมันเหมือนสะดุดตรงไหนมันก็จะรู้ของมันเองคล้ายๆเหมือนเราเ ม, มื่อเราจับนะจัแบบพื้นอ้อมันจะรู้สะดุดตรงอ้อสะดุดตรงร่องเนาะไม่ต้องแบบค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ไนะ คือเราสัมผัสแบบจับยาบเราก็รู้ตรงไหนมันสะดุดนะเวลาเราสแกนร่างกายก็เหมือนกันนะบางทีไม่ต้องสแกนแบบไล่ละเอียดทีแล้วส่วนทีแล้วอายะก็ได้บางทีเราสแกนคร่าวๆรวมๆตรงไหนมันสะดุดนะเราจะเห็นตัวที่สะดุดคือบางทีตัวจะเรียกว่าตัวที่มันมันเกร็งนะมันเครียดมันอึดอัดมันไม่เป็นธรรมชาตินะล้วก็สแกนดูอ่า คร่าวๆเหมือนนี้ไปเราก็จะเออผ่อนคลายเนะนอนแล้วยังคิ้วขมวดอยู่เนนะี <c> ่ย <oughs> นอนแล้วยังแบบทําไมหายใจอึดอัดแบบนี้อ่นะนอนแล้วบางทีเราก็เกรงเนาะนอนเกรงมือเกรงเท้าเกรงตัว น, นะไรนะแล้วก็ผ่อนคลายมันออกไปเนาะผ่อนคลายก็เนี่ยก็รู้สึกแบบนี้นไปเรื่อยๆนะนะรู้สึกถึง ใจที่เป็นปกตินะใจที่รู้ตัวนะเห็นร่างกายก็นอนหรือดูลมหายใจหรือหมุนนิ้วหรือกระดิกขานะหรือพิกมือเบาๆอะไรก็ได้นะอืมแล้วก็ดูทันเวลามันคิดบ้างก็อืมไม่เป็นไรนะก็ดูปไปไปนะนอนเล่นๆไป <c oughs> ตื่นก็ ตื่นเมื่อไหรก่ก็เมื่อนั้นเนาะตื่นเมื่อไหรก่ก็แต่ก็แล้วเราก็อืไปพักผ่อนเนาะอ่าไปพักผ่อนกันหรือถ้าใครคิดว่าไปก็ยังไม่หลับเหมือนเดิมแหละนะจะปฏิบัติถึงสักสองทุ่มครึ่งสามทุ่มค่อยกลั บ, ก, บก็ได้นะแต่พอกลับค่อยไปเจ้าเพื่อนดับแล้วก็ไปเงียบๆ <laughs> ไปตื่นก็ปูป ที่นอนก็นอนเลยเนะี่ยก็ได้นะแลต่แแต่ถ้าจะกลับพระพร้อมกันกันเนาะ